เรื่ององค์แห่งไก่ห้าประการพระเจ้ามิลินปินประชาจึงถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์แห่งไก่ห้าประการนั้นเป็นดังรือเล่าพระนาคเสนจึงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรธรรมดาไก่อย่างเช้ามืดอยู่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 ยที่ทางจัตาโรสติปัฏฐานามีความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นโคจรเป็นที่อยู่ของตนและเป็นอารมณ์ของภิกษุผู้เป็นโยคาวจรก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่ประการดังนี้อันหนึ่งและพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็กล่าวไว้ว่ายะถาสัมมโตกุกุโต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 ก็พึงพองหางกระทําให้ใหญ่กว้างคือตั้งไว้ซึ่งพระสติปัฏฐานสี่สู้รบด้วยกิเลสทั้งปวงเอวังเอวะมีอุปมาเหมือนกระแตฉะนั้นมหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภาร น, นี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งกระแตยุติด้วยกระแสะเทศนา ที่พระจุลบัรถกเถระเจ้ากล่าวไว้ว่ายธถากิเลสเอุปะคเตสามัญยะคุณวิทังสเสนสติปัฏฐานะนังคุเทนะหันยติโสปุนปุนังมีความว่าเมื่อใดกิเลสอันเครื่องกาจัดสามัญญะคุณเข้ามาใกล้พระพุทธบุตรผู้โยคาวจรเจ้าย่อมสู้รบขับไล่กิเลสเหล่านั้นแล้วแล้วเล่า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 อ ง, องค์แห่งพ่อเสือเหลืองสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์แห่งพ่อเสือเหลืองสองประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจิงถวายพระพรว่ามหาราช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 เป็นองค์อันหนึ่งแห่งปียุติด้วยคำที่พระลาหุนเถระเจ้ากล่าวไว้ว่านาวังเคชินะวันอนุโลมยิตวานะสัพพธากับปิเยอนาวัชชสมิงทัตตวาวายมะทุตริงมีความว่าภิกษุผู้โยคาวจรพึงอนุโลมในพระพุทธวจนะมีองค์ก้าประการ อย่าให้แตกออกไปทุกวันทุกเวลาตั้งอยู่แต่ในอนัวัชกรรมอันเป็นกับปิยะสมควรหาโทษไม่ได้กระทำความเพียนให้พินโยภาวะยิ่งขึ้นไปดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งแหล่งปืนประการหนึ่ง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 พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์แห่งวานนอนมีสองประการนั้นเป็นอย่างไรพระนาคเสนจิงถวายวิสัชนาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้เป็นอัคราษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาวานนอนจะอาศัยอยู่ในที่ใดก็ย่อมอยู่ที่โอกาสต้นไม้ใหญ่ ประกอบด้วยกิ่นก้านสาขาที่อาจเร้นซ่อนอยู่ได้เพราะวานอนกลัวภัยยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าจะอยู่ในที่ใดก็พึงดูสะพรหมจรีประเพณีที่มีกุศลเจตนามีหิริมีศีลและกัลยาณธรรมเป็นพหูสูตรทรงธรรมกล่าวคำพึงรัก